ปัจเหานวาระอนุโลมบุคคลเอกโมลกะดในร้อสาสสองอนุบ NO right? nee ุคคลใดละกามราคานุใสบุคคลนั้นก็ละปฏิคานุสัยใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลใดละปฏิคานุสัยบุคคลนั้นก็ละกามราคานุสัยใช่ไหมวิใช่อนุบุคคลใดละกามราคานุสัยบุคคลนั้นก็ละมานานุสัยใช่ไหม วิบุคคลนั้นละเฉพาะอนุสัยที่ตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับกามราคานุาสัยนั้นปฏิบุคคลใดละมานานุาสัยบุคคลนั้นก็ละกามราคานุาสัยใช่ไหมวิไม่ใช่อนุบุคคลใดละกามราคานุาสัยบุคคลนั้นก็ละทิฐานุาสัยวิจิกิจชานุาสัยใช่ไหมวิไม่ใช่ปฏิบุคคลใดละวิจิกิจชานุสัย บุคคลนั้นก็ละการมราคานุัยใช่ไหมวิบุคคลนั้นละเฉพาะอนุใสที่ตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับวิจิกิจฉานุัยนั้นอนุบุคคลใดละการมราคานุัยบุคคลนั้นก็ละภวราคานุัยอวิชานุใสใช่ไหมวิบุคคลนั้นละเฉพาะอนุใสที่ตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับการมราคานุใสนั้นปฏิบุคคลใดละอวิชานุัย บุคคลนั้นก็ละกามราคานุสัยใช่ไหมวิไม่ใช่ร้อสาสอนุบุคคลใดละปฏิคานุสัยบุคคลนั้นก็ละมานานุสัยใชยไไ่ไหมวิบุคคลนั้นละเฉพาะอนุสัยที่ตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับปฏิคานุสัยนั้นปฏิบุคคลใดละมานานุสัยบุคคลนั้นก็ละปฏิคานุสัยใช่ไหมวิไม่ใช่อนุบุคคลใดละปฏิคานุสัย บุคคลนั้นก็ละทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยใช่ไหมวิไม่ใช่ปฏิบุบคคลใดละวิจิกิจฉานุสยัยบุคคลนั้นก็ละปฏิคานุสัยใช่ไหมวิบุคคล น, นั้นละเฉพาะอนุสัยที่ตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับวิจิกิจฉานุสยัยนั้นอนุบุคคลใดละปฏิคานุสยัยบุคคลนั้นก็ละภวราคานุใสเอาวิชานุสัยใช่ไหมวิ บุคคลนั้นละเฉพาะอนุสัยที่ตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับปฏิคานุสัยนั้นปฏิบุคคลใดละอวิชานุสัยบุคคลนั้นก ah ็ละปฏิคานุสัยใช่ไหมวิไม่ใช่ร้ออนุบุคคลใดละมานานุสัยบุคคลนั้นก็ละทิฐานุสัยวิจิกิจชานุสัยใช่ไหมวิไม่ใช่ปฏิบุคคลใดละวิจิกิจชานุสัยบุคคลนั้นก็ละมานานุสัยใช่ไหม วิบุคคลนั้นละเฉพาะอนุสัยที่ตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับวิจิจิชนุสัยนั้นอนุบุคคนใดละมานานุสัยบุคคลนั้นก็ละภวะราคานุสัยอวิชานุสัยใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลใดละอวิชานุสัยบุคคลนั้นก็ละมานานุสัยใช่ไหมวิใช่ร้ 35, อยสอนุบุคคลใดละทิฏฐานุสัย บุคคลนั้นก็ละวิจิกิชานุสัยใช่ไหมวิใช่ปิบุคคลใดละวิจิกิชานุสยัยบุคคลนั้นก็ละทิฐานุสัยใช่ไหมวิใช่ร้อยสาอนุบุคคลใดละวิจิกิชานุสัยบุคคลนั้นก็ละภวราคานุสัยอวิชานุสัยใช่ไหมวิบุคคลนั้นละเฉพาะอนุสัยที่ตั้งอยู่ในที่เดียว ก, กันกับวิจิกิชานุสัยนั้นปฏิ บุคคลใดละอวิชานุสัยบุคคลนั้นก็ละวิจิกิจานุสัยใช่ไหมวิไม่ใช่ร้อยสาสิบเจอนุบุคคลใดละภาวราคานุสัยบุคคลนั้นก็ละอวิชานุสัยใช่ไหมวมิใช่ปฏิบุคลลาคลใดละอวิชานุสัยบุคลล ي, บคลนั้นก็ละภาวราคานุสัยใช่ไหมวิใช่เ อ, อระมูลกะในจบทุกขะโมลกะใน ร้อยสามสิบปดอนุบุคคลใดละการมราคานุสัยและปฏิคานุสัยบุคคลนั้นก็ละมานานุสัยใช่ไหมวิบุคคลนั้นละเฉพาะอนุสัยที่ตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับการมราคานุสัยและปฏิคานุสัยนั้นปฏิบุคคลใดละมานานุสัยบุคคลนั้นก็ละการมราคานุสัยและปฏิคานุสัยใช่ไหมวิไม่ใช่อนุบุคคลใดละการมราคานุสัยและปฏิคานุสัย บุคคลนั้นก็ละทิฏฐานุสัยวิจิกิจชาอนุสัยใช่ไหมวิไม่ใช่ปฏิบุคคลใดละวิจิกิจชาอนุสัยบุคคลนั้นก็ละกามราคานุสัยและปฏิคานุสัยใช่ไหมวิบุคคลนั้นละเฉพาะอนุสัยที่ตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับวิจิกิจชาอนุสัยนั้นอนุบุคคลใดละการมราคานุสัยและปฏิคานุสัยบุคคลนั้นก็ละภวราคานุใสภาวะวิชานุสัยใช่ไหมวิ บุคคลนั้นละเฉพาะอนุสัยที่ตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับภวราคานุสัยและปฏิคานุสัยนั้นปฏิบุคคลใดละอวิชานุสัยบุคคลนั้นข้ละการมราคานุสัยและปฏิคานุสัยใช่ไหมวิไม่ใช่ทุกกะมูลกะในจบเต็กกะมูลกะในร้อยสามสิบเกอนุบุคคลใดละการมราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัย บุคคลนั้นก็ละทิฏฐานุสยัยวิจิกิจชานุสัยมีไหมวิไม่มีปติบุคคลใดละวิจิกิจชานุสยัยบุคคลนั้นก็ละการมาราคานุใสยัยปฏิคานุสยัยและมานานุสยัยใช่ไหมวิบุคคลนั้นละเฉพาะอนุสัยที่ตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับวิจิกิจชานุสัยนั้นอนุบุคคลใดละการมราคานุใสัยปจิคานุสยัยและมานานุสัย บุคคลนั้นก็ละภวะราคานุใสยอาวิชานุใสมีไหมวิไม่มีปฏิบุคคลใดละอวิชานุสัยบุคคลนั้นก็ละกามราคานุใสปฏิคานุใสและมานานุสัยใช่ไหมวิบุคคลนั้นละเฉพาะมานานุสัยติ ก, กะโมลกะในจบเจตุกะโมลกะในร้อยสี่สิบอนุ บุคคลใดละการมราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยและทิฐานุสัยบุคคลนั้นก็ละวิจิกิจฉานุสัยมีไหมวิไม่มีปฏิบุคคลใดละวิจิกิจฉานุสัยบุคคลนั้นก็ละการมราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยและทิฐานุสัยใช่ไหมวิบุคคลนั้นละทิฐานุสัยละการมราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัย และเฉพาะอนุสัยที่ตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับทิฐานุสัยเป็นต้นนั้นจะตุกะมูลกะในจบปัญจกะมูลกะในร้อยสี่สิบเอ็ดอนุบุคคลใดละการมาราคานุสัยปัตขานุสัยมานานุสัยทิฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยบุคคลนั้นก็ละภวราคานุสัยอวิชานุสัยมีไหมวิไม่มีปฏิบุคคลใดละอวิชานุสัย บุคคลนั้นก็ละการมราคานุสัยปัตตคานุใสมานานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยใช่ไหมวิบุคคลนั้นละเฉพาะมานานุสัยปัญจกะมูลกระในจบฉากกระมูลกะในรยสี่อนุบุคคลใดละการมราคานุใสปัตตคานุใสมานานุใสทิฏฐานนุใสวิจิกิจฉานุสัยและภวราคานุสัย บุคคลนั้นก็ละอวิชานุสัยมีไหมวิไม่มีปฏิบุคคลใดละอวิชานุสัยบุคคลนั้นก็ละกามราคานุสัยปติคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยวิจิกิชานุสัยและภาวราคานุสัยใช่ไหมวิบุคคลนั้นละเฉพาะมานานุสัยและภวะราคานุสัยชักกะมูลกะในจบ มูลกะในรยสี่สอนุบ okay. ุคคลละการมราคานุสายอันเกิดจากธาตุใดก็ละปฏิคานุสายอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิไม่ใช่ปฏิบุคคลละปฏิคานุสายอันเกิดจากธาตุใดก็ละการมราคานุสายอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิไม่ใช่อนุบุคคลละการมราคานุสายอันเกิดจากธาตุใดก็ละมานานุสายอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหม วิใช่ปฏิบุคคนละมานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ละกามราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิในรูปธาตุและรูปธาตุบุคคนละมานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ละกามราคานุสัยในเวทนาสองในกามธาตุบุคคนละมานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแล้วก็ละกามราคานุสัยอนุ บุคคลละกามราคานุสัยอังเกิดจากธาตุดใดก็ละทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยอังเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลละวิจิกิจฉานุสัยอังเกิดจากธาตุดใดก็ละกามราคานุสัยอังเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิในทุกขเวทนาในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลละวิจิกิจฉานุสัยอังเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ละกามราคานุสัย ในเวทนาสองในกามธาตุบุคคละว um ิจิกิจฉานุสใยอันเกิดจากธาตุนั้นแล้วก็ละการมราคานุสัยอนุบุคคลละการมราคานุสใยอันเกิดจากธาตุดใดก็ละภวราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิไม่ใช่ปฏิบุคคลละภวราคานุสใยอันเกิดจากธาตุดใดก็ละการมราคานุสใยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิไม่ใช่อนุ บุคคลละกามราคานุส <ibles Laure en kee> ัยอันเกิดจากธาตุใดก็ละอวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่ปฏิบ like ุคคลละอวิชานุส <aja> ัยอันเกิดจากธาตุใดก็ละกามราคานุสัย <ink> อันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิในทุกเวทนาในรูปธาตุและรูปธาตุบุคคลละอวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ละกามราคานุสัยในเวทนาสองในกลามธาตุ บุคคละอวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแล้วก็ละกามราคานุสัยร้อสี่สิบสอนุบุคคละปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ละมานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิไม่ใช่ปฏิบุคคละมานานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ละปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิไม่ใช่อนุบุคคละปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุใด ก็ละทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลละวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ละปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิในเวทนาสองในกามธาตุในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลละวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ละปฏิคานุสัยในทุกขเวทนา บุคคลละวิจิกิจานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแล้วก็ละปฏิคานุสัยอนุบุคคลละปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ละภวะราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิไม่ใช่ปฏิบุคคลละภวราคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ละปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิไม่ใช่อนุบุคคลละปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุใด กละอวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลละอวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ละปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิในเวทนาสองในความธาตุในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลละอวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ละปฏิคานุสัยในทุกเวทนาบุคคลละอวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นและก็ละปฏิคานุสัย ร้ออนุบุคคลละมานานุสัยอันเกิดจากธาตุดใดก็ละทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลละวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุดใดก็ละมานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิในทุกขเวทนาบุคคลละวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ละมานานุสัยในเวทนาสองในกลามธาตฺ ในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลลวิจิกิจานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแล้วก็ละมานานุสัยอนุบุคคลละมานานุสัยอันเกิดจากธาตุดก็ละภวราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิในเวทนาสองในกามาธาตุบุคคลละมานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ละภวราคานุสัยในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลละมานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้น แล้วก็ละภวะราคานุสัยปฏิบุคคนละภวะราคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ละมานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่อนุบุคคนละมานานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ละอวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลละอวิชานุสใยอันเกิดจากธาตุใดก็ละมานานุสใยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิ ในทุกขเวทนาะบุคคลละอวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ละมานานุสัยในเวทนาสองในกามธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุบุคคลละอวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นและก็ละมานานุสัยร้อยสี่อนุบุคคลละทิฐานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ละวิจิกิจชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่ปฏิ บุคคลลวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ละทิฏฐานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่ร้อเจอนุบุคคลละวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ละภวะราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิในเวทนาสามในขามาธาตุบุคคลละวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ละภวะราคานุสัยนนในรูปธาตุลลาาาา แ, ตและอรูปธาตุ บุคค ล, ละวิจิกิจานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นและก็ละภวราคานุสัยปฏิบุคคละภวราคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ละวิจิกิจานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่อนุบุคค ล, ละวิจิกิจานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ละอวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลละอวิชานุสัยอ <MM ันเกิดจากธาตุใด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 แต่ไม่ใช่ละภวะราคานุสัยในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลและอวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแล้วก็ละภวะราคานุสัยเอกะมูลกะในจบทุกกะมูลกะในร้อยสี่สิบเกอนุบุคคลละการมาราคานุสัยและปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุดก็ละมานานุัยอันเกิดจากธาตุนั้นมีไหมวิไม่มีปฏิ บุคคลละมานานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ละกามราคานุสัยและปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิในรูปธาตุและรูปธาตุบุคคลและมานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ละกามราคานุสัยและปฏิคานุสัยในเวทนาสองในกามธาตุบุคคลและมานานุสัยและกามราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ละปฏิคานุสัยอนุ บุคคลละการมราคานุสัยและปฏิคานุสยัยอันเกิดจากท่าใดก็ละทิฏฐานุสยัยวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากท่านั้นมีไหมวิไม่มีปฏิบุคคลละวิจิกิจฉานุสยัยอันเกิดจากท่าใดก็ละการมราคานุสยัยและปฏิคานุสัยอันเกิดจากท่านั้นใช่ไหมวิในรูปะท่าและอรูปะท่าบุคคลละวิจิกิจฉานุสยัยอันเกิดจากท่านั้น แต่ไม่ใช่ละการมราคานุ ส, สัยและปฏิคานุสัยในเวทนาสองในกามาธาตุบุคคลละวิจิกิจฉานุสัยและการมราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ละปฏิคานุสัยในทุกขเวทนาบุคคลละวิจิกิจฉานุสัยและปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ละการมราคานุสัยอนุบุคคลละการมราคานุสัยและปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุด ก็ละภาวะราคานุสใยอันเกิดจากธาตุนั้นมีไหมวิไม่มีปฏิบุคคลละภวะราคานุสใยอันเกิดจากธาตุใดก็ละการมราคานุสัยและปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิไม่ใช่อนุบุคคลละการมราคานุสัยและปฏิคานุสใยอันเกิดจากธาตุใดก็ละอวิชานุสใยอันเกิดจากธาตุนั้นมีไหมวิไม่มีปฏิ บุคคลละอวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ละกามาราคานุสัยและปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลละอวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ละกามาราคานุสัยและปฏิคานุสัยในเวทนาสองในกลามธาตุบุคคลละอวิชานุสัยและกามราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ละปฏิคานุสัยในทุกเวทนา บุคคลละอวิชานุสัยและปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ละการมาราคานุสัยทุกกะมมลกะในจบตึกกะมมลกะในร้อยห้าสิบอนุบุคคลละการมาราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ละธิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นมีไหมวิไม่มีปิ บุคคลลวิจ ouais. ิก <boot> ิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ละการมราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลลวิจิกิจฉานุสัยและมานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ละการมราคานุสัยและปฏิคานุสัยในเวทนาสองในกรรมธาตุบุคคลลวิจิกิจฉานุสัยกามราคานุสัยและมานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้น แต่ไม่ใช่ละปฏิคานุสัยในทุกเวทนาบุคคลละวิจิกิจานุสัยและปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ละการมราคานุสัยและมานานุสัยอนุบุคคลละการมราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยอันเกิดจากธาตุดก็ละภาวราคารูสัยอันเกิดจากธาตุนั้นมีไหมวิไม่มีปฏิบุคคลละภวราคานุสัยอันเกิดจากธาตุด ก็ละการมราคานุใสปฏิคานุสัยและมานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิบุคคลนั้นละเฉพาะมานานุสใสอนุบุคคลละการมราคานุใสปฏิคานุสัยและมานานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ละอวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นมีไหมวิไม่มีปฏิบุคคลละอวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ละการมราคานุใสปฏิคานุสัย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 บุคคลละอาวิชานุสัยและปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ละการมราคานุสัยและมานานุสยัยตะ ก, กะโมลกะในจบจะตุ ก, กะโมลกะในร้อยห้าสบเอดอนุบุคคลละกามราคานุสยัยปฏิคานุสยัยมานานุสยัยและทิฏฐานุสยัยอันเกิดจากธาตุดใดก็ละวิจิกิชานุสยัยอันเกิดจากธาตุนั้นมีไหมวิไม่มีปฏิ บุคคลละวิจิกิจฉานุไสอันเกิดจากธาตุใดก็ละกามราคานุัสปฏิคานุใสมานานุัสและทิฐานุัสอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลละวิจิกิจฉานุไสมานานุไสและทิฐานุัสอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ละกามราคานุัสและปฏิคานุัยในเวทนาสองในกามธาตุบุคคลละวิจิกิจฉานุัย การมราคานุใสมานานุใสและทิฐานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ละปฏิคาน Photoshop. ุสัยในทุกขเวทนาบุคคลละวิจิกิจานุใสปฏิคานุสัยและทิฐานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ละกามราคานุใสและมานานุใสรอยห้าสอนุบุคคลละกามราคานุใสปฏิคานุใสมานานุใสทิฐานุใส และวิจิกิจฉานุใสอันเกิดจากธาตุใดก็ละภวราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นมีไหมวิไม่มีปฏิบุคคลและภวราคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ละกามราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิบุคคลนั้นละเฉพาะมานานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยอนุ บุคคลและกา마ราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ละอวิชานุสใสอันเกิดจากธาตุนั้นมีไหมวิไม่มีปฏิบุคคลละอวิชานุสใสอันเกิดจากธาตุใดก็และกามราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสใสอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิ ในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลและอวิชานุัสมานานุัยทิฏฐานุัยและวิจิกิจฉานุัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ละกามาราคานุัยและปฏิคานุัยในเวทนาสองในกามธาตุบุคคลและอวิชานุัยกามาราคานุัสมานานุัยทิฏฐานุัยและวิจิกิจฉานุัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ละปฏิคานุัย ในทุกเวทนาบุคคลและอวิชานุสัยปฏิคานุใสทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ละกามราคานุใสและมานานุสัยปัญจกะมูลกะในจบฉากะมูลกะในร้อห้าสบสอนุบุคคลและกามราคานุใสัยปติคานุใสมานานุใสทิฏฐานุใสวิจิกิจฉานุใส และภวะราคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ละอวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นมีไหมวิไม่มีปฏิบุคคลละอวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ละกามราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยและภาวะราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลและอวิชานุสัยมานานุสัย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 ในทุกขเวทนาบุคคลและอวิชานุใสปฏิฆานุใสทิฏฐานุใสและวิจิกิจานุใสอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ละกามราคานุใสมานานุสัยและภวะราคานุใสฉากะมูลกะในจบ พโลกาตเอกมูลกะในรยห้าสอนุบุคคลใดละการมราคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ละปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิไม่ใช่ปฏิบุคคลใดละปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ละการมราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิไม่ใช่อนุบุคคลใดละการมราคานุสัยอันเกิดจากธาตุใด บุคคลนั้นก็ละมานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิบุคคลนั้นละเฉพาะอนุสัยที่ตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับการมราคานุสัยนั้นปฏิบุคคลใดละมานานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ละกาม ร, ราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิไม่ใช่อนุบุคคลใดละกาม ร, ราคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ละทิฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิไม่ใช่ปฏิบุคคลใดละวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ละกามาราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิบุคคลที่8ดในทุกขเวทนาในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลนั้นละวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ละกามราคานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกามธาตุ บุคคลนั้นละวิจิกิจานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นและการมราคานุสัยและละเฉพาะอนุสัยที่ตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับการมราคานุสัยนั้นอนุบุคคลใดละกามราคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ละภวราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิไม่ใช่ปฏิบุคคลใดละภวราคานุสัยอันเกิดจากธาตุใด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 วิไม่ใช่รอห้าห้าอนุบุคคลใดละปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ละมานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิไม่ใช่ปฏิบุคคลใดละมานานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ละปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิไม่ใช่อนุบุคคลใดละปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ละทิฐานุสัย วิจิกิจฉ า, า, า, า, า, านุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิไม่ใช่ปฏิบุคคลใดละวิจิกิจฉาอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ละปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิบุคคลที่แปดในเวทนาสองในกามธาตุ listener, และในรูปธาตุอรูปธาตุบุคคลนั้นละวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ละปฏิคานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในทุกเวทนา บุคคลนั้นละวิจิกิจานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นและปฏิคานุสัยแล้วก็ละเฉพาะอนุสัยที่ตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับปฏิคานุสัยนั้นอนุบุคคลใดละปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ละภวะราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิไม่ใช่ปฏิบุคคลใดละภวราคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ละปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหม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 บุคคลใดละมานานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ละทิฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิไม่ใช่ปฏิบุคคลใดละวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ละมานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิบุคคลที่แปดในทุกเวทนาบุคคลนั้นละวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ละมานานุสัย บุคคล น, น, นั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกามาธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุบุคคลนั้นละวิจิกิจานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นและม า, านานุสยัยและก็ละเฉพาะอนุสัยที่ตั้งอยู่ในที่เดียวกันกลับม า, า, นานานุสัยนั้นอนุบุคคลใดละม า, านานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ละภวะราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพียงด้วยอรหัตมรักในเวทนาสอง ในกามาธาตุบุคคลนั้นละมานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ละภวะราคานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลนั้นละมานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแล้วก็ละภวะราคานุสัยปฏิบุคคลใดละภวะราคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ละมานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่อนุ บุคคลใดละมานานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ละเอาวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่ปติบุคคลใดละอาวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ละมานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพลยงด้วยอรหัตมรักในทุกขเวทนาบุคคลนั้นละอาวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ละมานานุสัย บุคคลนั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกรรมธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุบุคคลนั้นละอวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแล้วก็ละมานานุสัยร้อห้าสิบอนุบุคคลใดละทิฐานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ละวิจิกิจานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลใดละวิจิกิจานุสัยอันเกิดจากธาตุใด บุคคลนั้นก็ละทิฏฐานุสัยอันเกิดจากาธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่ร้อยห้าสิบแปดอนุบุคคลใดละวิจิกิจานุสัยอันเกิดจากาธาตุใดบุคคลนั้นก็ละภวะราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิบุคคลที่แปดในเวทนาสามในกา ม, ม า, าธาตุบุคคลนั้นละวิจิกิจานุสัยอันเกิดจากาธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ละภวะราคานุสัย บุคคลนั้นนั่นแหละในรูปธาตุและอรูปธาตุ limited. บุคคลนั้นละวิจิกิจฉานุสใยอันเกิดจากธาตุนั้นและภวะราคานุสัยและละเฉพาะอนุสัยที่ตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับภวะราคานุสัยนั้นปติบุคคลใดละภวะราคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ละวิจิกิจฉานุสใยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิไม่ใช่อนุบุคคลใดละวิจิกิจฉานุสใยอันเกิดจากธาตุใด บุคคลนั้นก็ละอวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิบุคคลนั้นละเฉพาะอนุสัยที่ตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับวิจิกิชานุสัยนั้นปติบุคคลใดละอวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ละวิจิกิชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิไม่ใช่ร้ 59. อยห้าเกอนุบุคคลใดละภวราคานุสัยอันเกิดจากธาตุใด บุคคลนั้นก็ละอวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลใดละอวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ละภวราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยอรหัตมรักในเวทนาสามในกลามรธาตุบุคคลนั้นละอวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ละภวราคานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในรูปธาตุและอรูปธาตุ บุคคลนั้นละอวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแล้วก็ละภวราคานุสัยเอกะมูลกะในจบทุกะมูลกะในร้อยหกสิบอนุบุคคลใดละการราคานุานนสัยและปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุดบุคคลนั้นก็ละมานา น, านุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นมีไหมวิไม่มีปฏิบุคคลใดละมานา น, านุสัยอันเกิดจากธาตุด บุคคลนั้นก็ละกามราคานุสัยและปฏิคานุสใยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิไม่ใช่อนุบุคคลใดละกามราคานุสัยและปฏิคานุสใยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ละทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสใยอันเกิดจากธาตุนั้นมีไหมวิไม่มีปฏิบุคคลใดละวิจิกิจฉานุสใยอันเกิดจากธาตุใด บุคคลนั้นก็ละกามราคานุสัยและปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิบุคคลที่8ดในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลนั้นละวิจิกิจานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ละกามราคานุสัยและปฏิคานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกามธาตุบุคคลนั้นละวิจิกิจานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นและกามราคานุสัย และละเฉพาะอนุสัยที่ตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับการมาราคานุสัยนั้นแต่ไม่ใช่ละปฏิคานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในทุกขเวทนาบุคคลนั้นละวิจิกิชานุัยอันเกิดจากธาตุนั้นและปฏิคานุัยและละเฉพาะอนุสัยที่ตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับปฏิคานุัยนั้นแต่ไม่ใช่ละการมาราคานุสัยอนุบุคคลใดละการมราคานุัยและปฏิคานุัยอันเกิดจากธาตุใด บุคคลนั้นก็ละภวะราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นมีไหมวิไม่มีปฏิบุคคลใดละภวะราคานุสใยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ละการมราคานุสัยและปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิไม่ใช่อนุบุคคลใดละการมราคานุสัยและปฏิคานุสใยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ละอวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นมีไหมวิไม่มี ปฏิบุคคลใดละอวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ละกามราคานุสัยและปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิไม่ใช่ทุกกะมูลกะในจบเติกกะมูลกะในร้อยหกสิบเอ็ดอนุบุคคนใดละกามาราคานุสัยปฏิคานุสัยและมา น, นานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ละทิฐานุสัย วิจิขิชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นมีไหมวิไม่มีปฏิบุคคลใดละวิจิขิชานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ละกามราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิบุคคลที่8ดในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลนั้นละวิจิขิชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นและมานานุสัยและละเฉพาะอนุสัยที่ตั้งอยู่ในที่เดียวกันกรับมานานุสัยนั้น แต่ไม่ใช่ละกมามราคานุสัยและปฏิคานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกามธาธาตุบุคคลนั้นละวิจิกิจานุใสและกมามราคานุใสมานานุสัยและละเฉพาะอนุสัยที่ตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับกามาราคานุสัยเป็นต้นนั้นแต่ไม่ใช่ละปฏิคานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในทุกขเวทนาบุคคลนั้นละวิจิกิจานุสัยอันเกิดจากาธาตุนั้นละปฏิคานุสัย และละเฉพาะอนุสัยที่ตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับปฏิคานุสัยนั้นแต่ <arti> ไม่ใช่ละกามราคานุสัยและมานานุสัยอนุบุคคลใดละกามราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ละภวราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นมีไหมวิไม่มีปฏิบุคคลใดละภวราคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ละกามราคานุสัย ปฏจจคานุใส isphere, และมานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิบุคคลนั้นละเฉพาะมานานุสัยอนุบุคคลใดละการมราคานุสัยปจิคานุสัยและมานานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ละอวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นมีไหมวิไม่มีปฏิบุคคลใดละอวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ละการมราคานุใสปัจจุคานุสัย และมานานุส <ination> sí ัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรักในทุกเวทนาบุคคลนั้นและอวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ละกามราคานุสัยปฏิตานุสัยและมานานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกลามธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุบุคคลนั้นและอวิชานุสัยและมานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้น แต่ไม่ใช่ละกามราคานุสัยและปฏิคานุใสเติกะมูลกะในจบเจตุกะมูลกะในร้อยหกอนุบุคคลใดละกามราคานุสัยปฏิคานุใสมานานุสัยและทิฐานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ละวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นมีไหมวิไม่มีปฏิบุคคลใดละวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุใด บุคคลนั้นก็ละการมราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยและทิฐานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิบุคคลที่8ดในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลนั้นละวิจิกิจฉานุสัยและทิฐานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นและมานานุสัยและละเฉพาะนุสัยที่ตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับมานานุสัยนั้นแต่ไม่ใช่ละการมราคานุสัยและปฏิคานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละ ในเวทนาสองในกามธาตุบ uh ุคคลนั้นละวิจิกิจานุสัยและทิฏฐานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นและกามราคานุสัยมานานุสัยและละเฉพาะอนุสัยที่ตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับกรมราคานุสัยเป็นต้นนั้นแต่ไม่ใช่ละปฏิคานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในทุกเวทนาบุคคลนั้นละวิจิกิจานุสัยและ hm ทิฏฐานนุสัยอันเกิดจากธาตุน <iso> ั้น ละปฏิคานุสัยและละเฉพาะอนุสัยที่ตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับปฏิคานุสัยเป็นต้นนั้นแต่ไม่ใช่ละกามรคานุสัยและมานานุสัยร้อยหกอนุบุคคลใดละกามรคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ละภาวราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นมีไหมวิไม่มีปฏิ บุคคลใดละภวะราคานุสัยอันเกิดจากท่าใดบุคคลนั pose, ้นก็ละการมราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจานุสัยอันเกิดจากท่านั้นใช่ไหมวิบุคคลนั้นละเฉพาะมานานุสัยอนุบุคคลใดละการมราคานุสัยปฏิคานุใสมานานุสัยทิฏฐานุใสและวิจิกิจานุสัยอันเกิดจากท่าใด บุคคลนั้นก็ละอวิชานุสัยอันเกิดจากาธาตุนั้นมีไหมวิไม่มีปฏิบุคคลใดละอวิชานุสัยอันเกิดจากาธาตุใดบุคคลนั้นก็ละกรารมราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยวิจิกิจานุสัยและภาวะราคานุสัยอันเกิดจากาธาตุนั้นใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพลยงด้วยอรหัตมรักษ์ในทุกขเวทนา บุคคลนั้นละอวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ละกามราคานุสัยปัตขานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยและภาวราคานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกวามมาธาตุบุคคลนั้นละอวิชานุสัยและมานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ละกามราคานุสัยปัตขานุสัยทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัย และภาวะราคานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลนั้นและอวิชานุสัยมานานุสัยและภาวะราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ละกามราคานุสัยปฏิคานุสัยทิฐานุัยและวิจิกิจฉานุัยชากระโลกะในจบอนุโลมในปัชหนะวาระจบ